สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนนะครับลอยกระทงปี2561ก็ผ่านกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับแอดมินเองไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับมัวแต่ยุ่งกับงานและเพิ่งจะหายป่วยมาใหม่ๆแต่ก็ยังได้ลอยกระทงกับเขาอยู่บ้างเหมือนกันก็ลอยในครองบ้านตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้อากาศทางภาคเหนืออุณหภูมิเริ่มต่ำลง ต้อนรับวันลอยกระทงเลยทีเดียวยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับใครที่ปีนี้ไม่มีคู่ลอยกระทงก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับปีหน้ายังมีโอกาสอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วค่อยไปลอยด้วยกันก็ยังไม่สายเกินไปส่วนวันนี้แอดมินจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังเราก็มารับฟังพร้อมๆกันเลยครับ สัมผัสสยองคำสัญญาสวัสดีครับผมชื่อเซนวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาของผมเองครับแกมีชื่อว่าพน แต่ผมเรียกแกว่าเขียวที่เรียกอย่างนั้นเพราะผมกับอาคนนี้สนิทกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแทบจะไม่เคยห่างกันเลยเพราะผมติดอาคนนี้มาแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าคนที่มีของดีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีอยู่จริงซึ่งอาผมก็คือหนึ่งในนั้นแกมีปานดำเกือบทั้งหน้าและลิ้นก็ดำด้วย พ่อผมได้เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่พ่อกับอายังเด็กอาวิ่งเล่นกับพ่ออยู่ใกล้กันกับถนนเป็นเหตุให้อาถูกรถกระบะคันหนึ่งชนแบบจังๆจนกระเด็นเข้าไปในกองไฟข้างทางเมื่อปู่กับย่าเห็นก็ตกใจมากรีบวิ่งไปดูอาการของอาที่ถูกรถชนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าอาผมนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลย แม้แต่รอยขีดควรตามร่างกายก็ไม่มีสร้างความแปลกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากจนกระทั่งพ่อของผมมีครอบครัวและมีผมเกิดมาอาก็มักจะมาเล่นกับผมอยู่บ่อยๆตั้งแต่เด็กจนผมโตขึ้นผมก็มักจะไปหาแกที่บ้านเป็นประจำทำให้เราสนิทกันมากเวลาผ่านไปก็มาถึงวันที่พ่อกับแม่ผม ต้องย้ายบ้านไปต่างจังหวัดทำให้ผมกับอาไม่ได้เจอกันอีกเลยเป็นเวลาหลายปีแล้วผมก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดอีกครั้งเพราะปู่ผมเสียทำให้ผมเจอกับอาที่ผมรักมากที่สุดในจำนวนพี่น้องของพ่อทั้งหมด11คนหลังจากงานศพครั้งนั้นเวลาผ่านไปอีกหลายปีผมก็ได้ข่าวจากนาแก้วที่โทรมาบอกพ่อของผมว่า อาคนที่ผมรักมากที่สุดเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนๆแล้วผมเองตกใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าแกจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะแกเป็นคนแข็งแรงมากเมื่อผมกับครอบครัวเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหมอก็พูดเกี่ยวกับอาการของอาและค่ารักษาทําให้พวกเราได้รับรู้ว่าอาของผมนั้นน้าท่วมปอดต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ว่าค่ารักษานั้นต้องใช้เงินถึงสองล้านเลยทีเดียวผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นส่วนอาผมเองที่รู้ว่าถ้าจะรักษาชีวิตตัวเองไว้ต้องหาเงินมาจ่ายถึงสองล้านอาจึงบอกกับหมอว่าหมอฉีดยาให้ผมตายเถอะอย่าให้ใครต้องมาลำบากพอแกพูดออกมา มันทำให้ผมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาผมพูดกับอาไปว่าไม่นะผมไม่ให้เขียวตายเด็ดขาดเขียวต้องอยู่กับผมอยู่ให้เห็นหน้าหลานสะพยก่อนอยู่ให้เห็นหน้าเหลนก่อนอยู่กับผมไปนานๆนะผมกอดอาแนนพร้อมกับร้องไห้จนหมดสติไปสองสามวันต่อมา อาก็ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวต่อที่บ้านอาผมอยู่ได้อีกไม่นานก็เสียที่บ้านหลังนั้นน้านเล็กน้องของพ่อได้โทรมาบอกทางบ้านผมว่าอาเสียแล้วก่อนที่แกจะเสียก็ได้บอกไว้ว่าให้บอกทุกคนด้วยว่ามาได้เพียงแค่นี้ไม่ต้องเสียใจพอแกพูดจบ แกก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อผมได้รับรู้มันก็ทำให้ผมถึงกับร้องไห้ออกมาแบบไม่รู้ตัวเพราะถึงวันงานศพผมกับแฟนที่เพิ่งจะคบกันก็ไปงานของแกที่วัดนั่งรอเตรียมฟังพระสวดในระหว่างนั้นเองแฟนของผมอยากเข้าห้องน้าจึงขอให้ผมไปเป็นเพื่อนหน่อยผมก็เดินไปส่ง พอไปถึงแฟนผมก็เข้าห้องน้าที่อยู่ใต้ต้นไทรต้นใหญ่ในขณะที่ผมกำลังยืนรออยู่นั้นก็รู้สึกเย็นที่สันหลังและมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่จึงหันไปมองที่โคนต้นไทรแล้วมันก็ทำให้ผมอึ้งกับสิ่งที่เห็นเพราะที่โคนต้นไทรนั้นมีอาของผมที่ตายไปแล้วยืนอยู่ มันทำให้ผมถึงกับทำอะไรไม่ถูกผมมองตาค้างที่ต้นใสยืนอยู่อย่างนั้นจนแฟนผมเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วถามผมว่าเป็นอะไรพอเริ่มตั้งสติได้ผมจึงบอกเธอไปว่าเปล่าไม่มีอะไรกลับไปนั่งที่เดิมเถอะจริงๆแล้วตอนที่ผมเห็นอายืนอยู่นั้นอาแกชี้มาที่แฟนผมด้วย ซึ่งผมคิดว่านั่นคงเป็นคำสัญญาที่แกได้ให้ไว้กับผมว่าจะอยู่รอให้ได้เห็นหน้าหลานสะพายก่อนและผมก็เหมือนจะได้ยินเสียงที่คุ้นหูพูดขึ้นเบาๆด้วยว่ากูเห็นหลานสะพายแล้วไอ้เซนแต่ตอนนั้นผมไม่คิดอะไรเพราะเข้าใจว่าหูคงแว่วไปเองพ อ, อมาถึงวันสุดท้ายที่ต้องเผาศพ ทุกคนได้ช่วยกันนำาลงศพไปที่เมนเพื่อเตรียมที่จะเผาแล้วผมก็ได้ยินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกแต่ครั้งนี้มันดังและชัดเจนมากมันเป็นเสียงที่ผมคุ้นหูเป็นอย่างมากเสียงนั้นพูดว่าอาไปก่อนนะหลานคําพูดสั้นๆที่เหมือนจะมีเพียงผมคนเดียวที่ได้ยินมันทำให้ผมถึงกับร้องไห้เสียงดังมาก จนทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นตกใจว่าอยู่ๆผมเป็นอะไรหลังจากวันนั้นที่เผาศพอาไปแล้วผมก็ไม่เคยเจออาที่ผมรักคนนี้อีกเลยหมาตาเพชร สวัสดีครับพี่พี่แอดมินและเพื่อนเพื่อ น, นพี่น้องชาวสัมพัษยองทุกคนวันนี้ผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้เจอกันเป็นหมู่คณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ13 1 4ถึงปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเด็กและเป็นช่วงปิดเทอมแก๊งของผมซึ่งเป็นเด็กในซอยจะออกมานั่งเล่นกันที่สะพานปูนเป็นประจำนั่งเล่นกันอย่างนี้ทุกวัน บางวันถึงดึกดื่นเลยก็มีคืนนั้นเป็นวันพระและเป็นคืนเดือนมือพวกเราทั้งเจ็ดคนอยู่กันครบแกง๊งยืนหยุดตรงสะพานปูนนั่นแหละในมือก็มีไฟฉายอยู่คนละกระบอกเพราะแถวนั้นค่อนข้างมืดในขณะที่พวกเรากําลังยืนเล่นกันอยู่นั้นก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงกลางสะพานเหล็ก ซึ่งอยู่คนละฟังกับสะพานปูนของพวกเราเมื่อส่องไฟไปดูก็เห็นหมาตัวหนึ่งกําลังนอนอยู่บนสะพานเมื่อหมาตัวนั้นหันหน้ามาแสงไฟจากไฟฉายก็กระทบเข้ากับดวงตาของมันเกิดเป็นประกายสะท้อนกลับมาพวกเรายืนมองหมาตัวนั้นกันอยู่สักพักเพราะเห็นว่าดวงตาของมันนั้นดูแปลกๆมีลักษณะเหมือนกับเพช ในขณะที่พวกเรากําลังสงสัยกันอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีเสียงเหมือนกับหินตกลงไปในน้ำพวกเราหันไฟฉายส่องลงไปในคลองแทบจะพร้อมกันแต่ก็ไม่พบอะไรมีเพียงน้ำที่สั่นไหวเท่านั้นพอะส่องขึ้นมาบนสะพานเหล็กอีกครั้งก็พบกับชายสองคนร่างกายสูงใหญ่เหมือนคนโบราณ พวกเขาใส่ผ้าเข้ามาด้านบนเปลืยเปล่าคนหนึ่งถือจอบอีกคนถือเสียมกำลังทำห่าเหมือนจะตีหมาตัวนั้นแสงไฟฉายที่ศาสต์ส่งไปทำให้ชายทั้งสองคนนั้นหันหน้ามาทางพวกเราผมยังจำติดตาได้ดีว่าใบหน้านั้นมันน่ากลัวมากเมื่อสายตาของพวกเขาจ้องมองมาพวกเราก็ต่างร้องอุทานขึ้นมาด้วยความตกใจ ในเสี้ยววินาทีนั้นเองใช้ปริศนาสองคนก็วิ่งลงจากสะพานโดยก้าวขาเพียงแค่สามก้าวใช่ครับมันอาจจะฟังดูปกติแต่มันแปลกตรงที่สะพานเหล็กมีความยาวประมาณหเมตรแค่เฉพาะช่วงกลางของสะพานยังไม่รวมทางลาดชันเพื่อลงไปยังพื้นถนนอีกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนก้าวเดินได้ยาวขนาดนั้น ด้วยความสงสัยและมีพวกเราอยู่กันเยอะก็เลยตัดสินใจวิ่งตามชายสองคนนั้นไปพวกเราวิ่งตามไปได้ไม่ถึงสองโคงก็มองไม่เห็นชายสองคนนั้นแล้วจังหวะนั้นก็มีรถขับสวนมาพอดีพวกเราจึงถามคนขับรถขน้นว่าเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่คนนึงถือจอบอีกคนถือเสียมผ่านมาทางนี้หรือเปล่า แต่คนขับรถก็บอกว่าไม่เห็นใครคืนนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงสัยปนหวาดกลัวเล็กน้อยพอตอนเชา้าผมก็กลับมายัางสะพานนั้นอีกครั้งมองสำรวจบริเวณโดยรอบคิดสงสัยว่าเมื่อคืนนี้มันคืออะไรกันแน่ขณะที่ผมสอดสายสายตาอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นสารเจ้าหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับสะพานปูนผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่หลังจากวันนั้นแล้วพวกเราก็ไม่เคยเจอมาตาเพกกับชายสองคนนั้นอีกเลยรักยมผมชื่อเตย อายุย8่ปปีครับเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นที่นี่แหละครับเพียงแต่ว่าเป็นคนลมเพอกับบ้านผมย้อนกลับไปเมื่อประมาณเจปีที่แล้วผมเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนผมชื่อปุ๋ยครับตอนนั้นผมได้ไปเช่าของครั้งมาอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ารักยม มันมีลักษณะเป็นขวดเล็กๆมีไม้รักกับไม้ยมและน้ำมันจันทร์อยู่ข้างในซึ่งผมทำเป็นชี้ห้อยคอเพื่อที่จะนำมาช่วยให้ขายของดีวันหนึ่งผมได้เอารักยมแขวนไว้ที่หน้าต่างแล้วก็ทำความสะอาดห้องปัดไปปัดมาแต่ไม้ขนไก่เจ้ากรรมมันฟาดโดนขวดรักยมที่ผมแขวนเอาไว้ไปกระแทกกับขอบหน้าต่าง ขวดที่มันเปราะ บ, บางอยู่แล้วก็เลยแตกน้ำมันจานที่อยู่ข้างในก็กระเด็นมาเข้าตาผมผมรีบเก็บเศษของมันที่พอจะเก็บได้แล้วหาขวดมาใส่ใหม่ผมไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปและได้เห็นอะไรมากกว่าคนอื่นตอนนั้นผมกังวลเพียงแต่ว่ารักยมจะไม่อยู่ด้วย ก็เลยเรียบโทรหาอาจารย์ที่ผมเช่ารักยมมาแต่พออาจารย์รับสายท่านก็พูดมาว่าเด็กๆกลับมาหมดแล้วโดยที่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับเหตุการณ์มันเกิดหลังจากนั้นอีกสองวันเพื่อนผมที่ชื่อเบลมันโทรมาขอให้พวกผมไปช่วยมันขนของยายหองเพราะมันกำลังจะย้ายไปบ้านเช่าใหม่ ที่ราคาถูกกว่าเดิมมากแค่เดือนละ 1,500 บาทเท่านั้นเองซึ่งบ้านที่มันไปเช่าอยู่นั้นอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งผมกับปุ๋ยก็ตกลงว่าจะไปช่วยมันพวกผมสี่คนมีผมไอ้ปุ๋ยไอ้เบลแล้วก็นุนเมียของไอ้เบลมันก็ช่วยกันขนของจนคำมืดพอขนของเสร็จ พวกเราก็นั่งพักกันตรงโถงของบ้านตรงนั้นจะมีประตูกระจกใสซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านมันสามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามได้แบบชัดมากพอนั่งกันไปได้สักพักเบลกับนน์ก็ขอตัวออกไปข้างนอกเพื่อจะไปหาซื้ออะไรมาเลี้ยงพวกผมที่มาช่วย้นของในวันนี้ส่วนผมกับปุ๋ยก็ยังคงนั่งหมดแรงกันอยู่ที่เดิม บ้านแถวนี้อยู่ติดกันหลายหลังคล้ายกับทาวเฮาส์แต่ว่ามีชั้นเดียวบรรยากาศก็วังเวงมากด้วยเช่นกันเงียบมาเงียบจนพวกผมขนลุกผมก็มองดูนาฬิกาในโทรศัพท์ก็เห็นว่าตอนนี้มันก็สามทุ่มแล้วผมมองไปเรื่อยเปื่อยมองข้าวของที่ขนมาพรันสายตาก็มองออกไปทางหน้าบ้านฟังตรงข้าม ก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่จู่ๆเงานั้นมันก็ย่อตัวลงแล้วก็กระโดดลงไปครานครานไปครานมาอยู่ที่หน้าบ้านนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผมยิ่งขนลุกก็คือเงานั้นครานไวมากไวเกินกว่าที่คนปกติจะครานได้ในขณะที่ผมกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นและตัวสันให้ปุ๋ยมันก็ตกใจ ร้องทักผมว่าเป็นอะไรมันเห็นผมตาค้างมองไปที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามมันก็หันไปมองตามแต่มันคงจะไม่เห็นอะไรจึงหันกลับมาแล้วก็เขย่าตัวผมพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรแต่เมื่อไม่ได้รับการตอบกลับใดๆมันจึงลุกเดินไปรูดม่านที่ประตูหน้าบ้านเพื่อปิดและหยุดอาการตกตะลึงของผม ตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกเลยครับผมกลัวมากบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไอ้ปุ๋ยมันก็พยายามดึงสติผมให้หายสัน่นผมก็พยายามทำใจให้นิง่งจนกระทั่งเบลและนุ่นกลับมาตอนนั้นสติผมเริ่มกลับคืนมาแล้วจึงพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดไม่กล้าพูดว่าเห็นอะไร ผมหันกลับไปมองที่ประตูบานนั้นที่มีผ้าม่านปิดอยู่ซึ่งผ้าม่านมันปิดไม่หมดมันลอยเหนือพื้นทำให้มีช่องว่างอยู่ประมาณครึ่งไม้บรรทัดแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือเท้าคนมันเป็นเท้าคนหลายคู่ยืนอยู่ด้านนอกของประตูทุกคู่ดูสกกลปกมามีคิดเท่ากอดอยู่ที่เท้าเต็มไปหมดผมรู้ได้ทันทีเลยว่า มันไม่ใช่เท้าของคนแน่ๆด้วยความกลัวจึงรีบลุกเดินเข้าห้องนอนที่นุ่นจัดไว้ให้แล้วนอนคลุมโปงทุกคนที่เห็นการกระทำของผมก็แปลกใจสงสัยว่าผมเป็นอะไรพวกมันจึงเดินตามเข้ามาถามผมในห้องผมก็เลยตอบไปว่ากูเหนื่อยขอนอนก่อนละกันแต่ถึงอย่างนั้นผมก็หลับไม่ลงเลยทั้งคืน กว่าจะมาหลับอีกทีก็เช้าแล้วผมหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้มารู้ตัวตื่นอีกทีก็เป็นเวลาหกโมงเย็นเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าผมอยู่คนเดียวในบ้านแถมไม่เพื่อนเจ้ากรรมมันดันล็อกประตูนหน้าบ้านจากภายนอกอีกมือถือผมก็แบตหมดสายชาร์จหยุดตรงไหนก็หาไม่เจอตอนนั้นผมกลัวมาก เพราะมันกำลังจะข้ามอีกแล้วผมเลยเสี่ยงปีนออกหลังบ้านไปบ้านข้างๆที่ว่างอยู่เพื่อจะออกมาจากตรงนั้นให้ได้แล้วก็ไปนั่งรอพวกเพื่อนๆตรงร้านข้าวหน้าปากซอยเวลาผ่านไปสักพักใหญ่เพื่อนๆก็เดินทางกลับมาพวกมันแปลกใจว่าผมออกมาจากบ้านได้ยังไงออกมาตอนไหนแต่ผมก็ไม่พูดอะไร บอกกับปุ๋ยว่าอยากกลับแล้วจากนั้นผมกับปุ๋ยก็แยกย้ายกันกับเบลและนนท์ปุ๋ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาโดยมีผมเป็นคนซ้อนท้ายระหว่างที่กําลังจะออกจากหมู่บ้านจูจูผมก็เห็นบางสิ่งจึงทุบหลังปุ๋ยรัวๆแล้วปากก็พูดไม่หยุดว่าไปไปมึงไปเร็วๆเลยไปเร็วๆตอนนั้นผมกลัวมาก เพราะยังจำภาพหลอนของคืนก่อนได้ติดตาปุ๋ยรียบบิดคันแรงขี่รถเร็วมากส่วนผมก็ร้องโวยวายตลอดทางพอเราขี่มาจนถึงวัดวัดหนึ่งผมก็เริ่มมีอาการสงบลงให้ปุ๋ยเห็นผมกระหืดกระหอบอยู่จึงถามว่าเมื่อกี้มึงร้องโวยวายอะไรเป็นอะไรของมึงวะแต่ผมก็บอกกับมันว่ากลับไปที่หอก่อน แล้วจะเล่าให้ฟังเพราะเรากลับมาถึงหอผมก็เล่าให้มันฟังว่าตอนที่ผมโบยวายนั้นผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมดำเนื้อแห้งติดกระดูใส่เสื้อผ้าขาดหลุดลยุยชายคนนั้นวิ่งตามรถของพวกเรามาล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ตามมาไวมากจนเกือบจะถึงรถของพวกเราพอมาถึงหน้าวัดชายคนนั้นก็หายไป พอผมเล่าให้ปุ๋ยฟังก็ยิงกัวนหนักมากขึ้นไปอีกหลังจากกินข้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งหายใจหายคอกันอีกสักพักเมื่อสติเริ่มสงบลงผมกับเพื่อนก็เข้านอนตอนเชา้าก็ไปตักบาตรทำบุญที่วัดเมื่อผมได้กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งก็สอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าบริเวณที่เพื่อนผมไปเช่าอยู่ มันเคยมีอะไรหรือเปล่าทำไมคนถึงไม่ค่อยมาอยู่กันผมจึงได้รู้จากปากคนแก่แถวนั้นว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นสุสานแขกมาก่อนแล้วได้มีการล้างป่าช้าจากนั้นก็ก่อสร้างบ้านขึ้นมาให้เช่าอย่างที่เห็นนั่นแหละผมคิดว่าคมเป็นเพราะน้ามันจันที่อยู่ในขวดลักยมกระเด็นเข้ามาในตาของผม จึงทำให้ผมเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก็เป็นได้สัมผัสสยอง